อีกสูตรหนึ่งนะครับอาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะสามประการจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายอาสวะสาประการนี้สามประการเป็นฉไหนคือกามสวะหนึ่งภาวะหนึ่งอวิชชาสวะหนึ่งดูก่อนพิสูน์ทั้งหลาย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 เหตุเกิดแห่งอาสะวะทั้งหลายธรรมะเป็นที่ดับแห่งอาสะวะทั้งหลายและมักอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายภิกษูหายหิวแล้วดับรอบแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายนะครับนี่ก็สงเคราะห์อาสะวะแนวอริยศาสตร์เหมือนกันนะครับเท่ากับอาสะวะอาสะวะสมุทยัยอาสะวะนิโรธอาสะวะนิโรธาคามมนีปฏิปทานนะครับ อาสวะในกามทั้งหลายชื่อว่ากามาสวะอีกอย่างหนึ่งอาสวะกล่าวคือกามชื่อว่ากามาสวะแต่โดยเนื้อความคือโดยอัฐานะครับกามราคะและความยินดียิ่งในรูปเป็นต้นชื่อว่ากามาสวะคำว่ากามาสวะเน้นไปที่องค์ธรรมได้แก่โลภะที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลิภัพเป็นอารมณ์นะครับเน้นไปที่นี้นะครับคือเน้นอาการมตัญหานั่นเองนะครับ ตัญหาที่เพลิดเพลินในรูปเสียงเกิ่นรสโพธะะนี่แหละครับเรียกว่ากามาสะวะชันนราคะในรูปประพบและอรูปประพบความใค่ในฌานราคะาอันสหรครด้วยสัสตตทิทิและความปรารถนาในภพชื่อว่าภาะวะนะครับภาะวะเนี่ยนะครับคือโลภะที่เพลิดเพลินในรูปประพบและอรูปประพบ นะครับอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งก็คือราคะที่ยินดีในฌานอย่างหนึ่งหรือว่าราคาที่สหรคตด้วยสัสตทิฏฐิเนี่ยอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้ชื่อว่าภวาสะวะนะครับส่วนอวิชาสะวะนั่นแหละชื่อว่าอาวิชาสะวะคือตัวอวิชานะครับตัวโมหะเจตสิกะนะตัววิชาความไม่รู้ในะอริยสัจสีเป็นต้นนั่นะครับตัวนั้นชื่อว่าภวาสะวะขอเกิครับในเรื่องของทิฏฐิเนี่ย ที่ว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนละอย่างใช่ไหมครับในรูปมีฉันดะราคะในรูปอบคบอรูปอพบอย่างหนึ่งหรือเปล่าคือมีหลายในนะครัะแล้วก็ความใกล้ในฌานก็อย่างหนึ่งครัราคาในที่สะหระคดด้วยสัสตตติถิก็อย่างหนึ่งครับแล้วความปราเถนาในภ พ, พก็อย่างหนึ่งครับในต้องอธิบาย อย่างเช่นตัวโลภะนะครับโลภะที่ยินดีในปฐมฌานจนถึงจตุฌานอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวะเหมือนกันราคะที่ยินดีในอากาสารนันจญตนะเป็นต้นนะครับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าภวาวะเหมือนกันฉันทราคะหรือโลภะที่ยินดีในรูปปรพรมทั้งหมดก็ชื่อว่าภาวะเหมือนกัน ชั้นราคาหรือตันหาที่ยินดีในอารูป ป, ปรมลมก็ชื่อว่าภวาเสะวะเหมือนกันนะครับหรือหรือว่าพวกที่มีความเห็นไปไปกับสัสตถถทิธิพวกนี้ก็ชื่อว่าภวาเสะวะเหมือนกันหรือผู้ที่ปรารถนาพบเนี่ยนะครับจิตปรารถนาพบใดพบหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าภวาเสะวะเหมือนกันนะครับอธิบายเรื่องภาวาเสะวะที่เป็นไปในสัสตทิธิดีคก็ ทิฏฐิ ท, ที่เป็นไปกับความยึดถือว่าขันห้าขันใดขันหนึ่งหรือเราใดาเหล่าหนึ่งเนี่ยนะครับว่ามันเที่ยงอ่ะ น, นะความสําคัญแบบนั้นนะครับเช่นว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงวิญญาณเนี่ยตายจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งมันล่องลอยไปอะไรไปไปสวมไปสิงอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นอ่ะ น, น ะ, ะความคิดเหล่านี้นี่นะครับเป็นไปกับสัสตทิฏฐินะครับหรือพวกที่คิดว่าโลกเที่ยงนะครับสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วมีอีกอ่ะ น, นะ ลัทธิที่เคยกล่าวไปแล้วนั่นนั่นแหละครับเรียกว่าตัญหาที่สงรงพระคตด้วยสัสตาทิธิแต่ว่าไอคาว่าภาวะตัวนี้องค์ธรรมได้แก่โลภะนะครับองค์ธรรมนี่ได้แก่โลภะไม่ใช่ทิฐิแต่หมายถึงโลภะที่เกิดร่วมกับทิฐิเป็นต้นนั่นเองนะครับในบทว่าอาสวานันจะสำภังนี้ อโยนิโสมนสิการและกิเลสทั้งหลายมีอวิชาเป็นต้นชื่อว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอาสะวะนะครับอาสะวะสมุทัยหรือเหตุเกิดในทีนี้ได้แก่อะไรครับอโยนิโสมนสิการนะครับถ้าใครอยากให้การมาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะเกิดมากๆก็อโยนิโสมนสิการให้มากๆนะครับนะเดี๋ยวมันก็เป็นเองถามว่าทํำยังไงครับก็ทําอย่างปัจจุบันนี่นะครับที่ไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนนี่แหละครับเป็นลักษณะนี้นี่แหละ จริงไม่ต้องไปเจริญอะไรหรอกครับเพราะมันปกติมันมีอยู่แล้วอนะเหมือนกับคนที่มีบ้านอยู่ในกลางทะเลอยู่แล้วนะก็เลยว่ามันยังไงยังไงก็อยู่ในทะเลอยู่แล้วนะครับแต่จะขึ้นบกไหมล่ะนะครับเอ่อขอการครับอาจาได้ลองขยายเรื่องโยนิโสครับอโยนิโสเนี่ยที่ว่ายกตัวอย่างให้เอาโยนิโสมาเทียบอโยนิโสนี้ยกตัวอย่างมาครับอ่าอโยนิโสเนี่ยนะครับเช่น รับอารมณ์ใดแล้วไม่พิจารณาเป็นไปในสิกขาทั้งสามนะครับนั่นแหละเป็นอะโยนิโสนะถ้าพิจารณาไปในสิกขาสามนี่แหละครับเป็นโยนิโสยกตัวอย่างเลยนะอย่างเราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าปรารบวัางงามเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอะโยนิโสมนสิการแล้วก็ถ้าตั้งวางงามแล้วแล้ ว, ลวคิดเลยเถิดนะครับ คิดเลยแต่ว่าจะคิดเลยไปแค่ไหนก็ช่างเถอะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปตามแนวอโยนิโสมนสิกาไม่ต้องชำนาญอยู่แล้วนะครับเป็นไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันล่องลอยไปเรื่อยนะครับนะครับสมโ น, นกว่าจะมีขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เองนั่นนะครับนี่หละอันนี้อย่างหนึ่งนะครับลักษณะของอโยนิโสมนสิกาแต่ถ้าโยนิโสมนสิกาเลยนะเกี่ยวข้องกับคนนี่จะผิดศีลอะไรบ้างเริ่มแล้วนะครับ ประสิทธได้ไหมสังขารทิเศตเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังเจริญปฏิกูลเป็นต้นหรือขันทา่อนาอายตนะไปเลยเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าโยนิโสมนัิการแล้วก็ประมวลลงอริยสัจได้นะครับลักษณะนั้นเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับแต่ถ้าอโยนิโสนะครับคือยังไงครับคือแนวความคิดเดิมๆที่มีอยู่แบบไม่ศึกษาคําสอนนั่นแหะครับเรียกอายนิโสหรือว่ากิเลสทั้งหลายมียวิชาเป็นต้นก็เป็นเหตุเกิดแห่งอาสวะทั้งหลาย สมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาวิชาเกิดก่อนนะครับความไม่ละอายแก่ใจความไม่เกรงกลัวต่อบาปจะคล้อยตามการถึงพร้อมแห่งอากุศลธรรมทั้งหลายคือในในสูตรที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับอวิชาเนี่ยในฐานะเป็นเหตุปัจจัยด้วยนะครับเป็นสหาชาตปัจจัยด้วยอหิริกะอโนตปาก็จะเกิดตามมาอากุศลกรรมทั้งหลายก็จะตามมาเป็นพรวนเป็นขบวนไปอด น, นะครับ บทว่ามักคันจะขยะขามินางความว่าซึ่งพระอริยมรรคอันเป็นเหตุให้ถึงธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะบรรดาอาสวะเหล่านั้นกามาสวะจะละได้ด้วยอนาคามิมรรคนะครับความเพลินเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะครับจะละได้จริงๆเมื่ออนาคามิมรรคส่วนพวาสวะและอวิชาสวะจะละได้ด้วยอรหาาัตตมรรคนะครับนี่ก็เป็นข้อความในปฐม อาสวะสูตรนะครับนะมันก็ต้องหมั่นไข้ครวญนะครับว่าในสูตรนี้นะอาสวะสามคือการมาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะนั้นองค์รรมได้สองอย่างเท่านั้นนะครับคือโลภะกับโมหะนะครับแต่ถ้าอาสวะสนะครับกามาสวะทิฏฐสวะภวาสวะและอวิชชาสวะนั้นจะได้องค์ธรรม เพิ่มทิถีเข้ามาด้วยนะครับแต่เฉพาะในปฐมอาสวะสูตรตรงนี้นี่นะครับไม่มีทิถาสะวะนะครับเพราะฉะนั้นการมาสวะกับภวาสะวะนั้นได้แก่โลภะอวิชชาสะวะนั้นได้แก่โมหะนะครับในสององค์ธรรมก็เอาองค์ธรรมสองอย่างเนี่ยประชุมลงอริยสัจซะนะครับ เล่นอวิชาอาวิชาสมุทยัยอวิชานิโรธอวิชานิโรธาคามินีปฏิปทานะครับหรือว่าโลภะโลภะสมุทยัยโลภะนิโรธโลภะนิโรธาคามมนีปฏิปทาก็ได้นะครับนั่นนะถ้าจะเอาสำนวนแบบคุ้นๆนะนะแต่ของท่านก็จะสำนวนท่านนะครับ